2. ปูตคามวัก 2. ออัญญาวาทกัสิกขาบทว่าด้วยการกล่าวกลบเกลื่อนเรื่องพระช น, นะ 94. สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณโคสิตารามเขตกรุงโกสัมพีสมัยนั้นท่านพระช น, นะประพฤติไม่เหมาะสมถูกพระวินัยทอนต่สวนอบัตท้ามกลางสงกลับนำเอาเรื่องอื่นมากล่าวกลบเกลื่อนอีกเรื่องหนึ่งว่าใครต้อง ต้องอะไรต้องในเรื่องอะไรต้องอย่างไรพวกท่านกล่าวถึงใครกล่าวเรื่องอะไรบรรดาภิกษุผู้มากน้อยตำหนิประนามโพรนธนาว่าจะนท่านพระชนะถูกพระวินัยทอนไต่สวนอบัติท่ามกลางสงกลับนำเอาเรื่องอื่นมากล่าวกลบเกลือนอีกเรื่องหนึ่งว่าใครต้องต้องอะไรต้องในเรื่องอะไรต้องอย่างไรพวกท่านกล่าวถึงใครกล่าวเรื่องอะไร ท่านภิกษุเหล่านั้นตำหนิท่านพระชันหน้าโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงสราบ